วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมเป็นวันที่เหมาะต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมในสมัยพุทธกาล ท่านเรียกวันหยุดทำงานนี้ว่าวันพระวันพระนี้สมัยพุทธกาลจะเป็นวันที่สทธาญาติโยมจะหยุดทำภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมพอสมัยก่อน จะศึกษาพระธรม ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะต้องศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกต่างกับสมัยนี้ที่เราสามารถศึกษาพระธรม ร, รมคำสอนจากสื่อต่างๆได้ จากการอ่านหนังสือธรรมะจากการฟังเสียงที่อัดไว้ในซีดีนี่ก็เป็นการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมสมัยปัจจุบันนี้วันหยุดของเราตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ตรงกับวันพระ ในแบบสมัยโบราณเพราะในสมัยโบราณใช้การนับวันพระตามปฏิทินของจันทรคติคือดูวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือครึ่งดวงแต่สมัยนี้เรานับวันตาม วันจันอังคารพุทธประหัตศุขสาวอาทิตย์วันหยุดของพวกเราสมัยนี้จึงไม่ตรงกับวันพระเสมอไปวันพระข่าวหน้านี้ตรงกับวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์แต่วันพระก็จะเลิ่นไปเรื่อยๆจากวันอาทิตย์ก็จะไปเป็นวันจันทร์ จากวันอันันทรก็จะเป็นวันอังคารถ้าไปตรงกับวันจันทร์ถึงสุขศรัท ธ, ธาญาติโยมก็จะต้องไปทำงานก็จะไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดกันสมัยนี้เราจรึงต้องปรับวันพระใหม่ ปรับให้ตรงกับวันหยุดทํางานของเราคือให้ถือว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราหยุดทํางานเป็นวันพระเป็นวันที่เราควรจะมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ ในมงคลละสูดว่ากาเลนะธรรมัสวนังเอตมังกะละมุตตังการฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมคือตามวันหยุดทำงานเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะการฟังธรรมนี้เป็นการเสริมสร้างบุญบารมี สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งปัญญาบารมีและอุเบกขาบารมีที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือมงคลเพราะว่าปัญญาและอุเบกขาบารมีจะส่งเสริมให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้น มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงและหมดไปได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนี้มีผู้บรรลุธรรม หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมกันเลยในการฟังธรรมจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าตอนนี้พวกเรามีความทุกข์ต่างๆอยู่ภายในใจถ้าอยากกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดสิ้นไป ขอให้มาฟังเทศฟังธรรมกันเถิดแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจะถูกทำลายจนหมดสิ้นไปได้เพราะธรรมะนี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมะโอสดโรคของใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆ ความวิตกความกังวลความห่วงใยความเสียใจความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวร์ความหวาดกลัวความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจถ้าเราน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของพวกเราตอนนี้ธรรมของพระพุทธเจ้า อยู่ข้างนอกใจของพวกเราอยู่ที่ในหนังสือธรรมะต่างๆแลวอยู่ที่ใจของพระอริยสงสาวกที่เราจะต้องไปรับเอาเข้ามาในใจเราพระอริยสงสาวกหรือหนังสือธรรมะต่างๆนี้เปรียบเหมือนเป็นร้านขายาเวลาเราไม่สบาย เราไปซื้ อ, อยาที่ร้านขายยาพอเราได้ยามาเราก็นำมามารับประทานพอเรารับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็หายก็หายไปได้ใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายเวลาไม่สบายเราก็ต้องอาศัยยาคือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มาใช้ในการรักษาบำบัดความทุกข์ความไม่สบายใจของเราให้หายไปได้เราก็ต้องไปที่ร้านขายยาไปอ่านหนังสือธรรมะหรือไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอราิยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ฟังธรรม จากว่าเรียกสงสาวกหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เท่ากับได้รับยามาจากลานพอเรารับมาแล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาได้ฟังแล้วเราก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติเอาไปรับประทานการปฏิบัตินี้เหมือนเป็นการรับประทานยา การอ่านหนังสือการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการไปรับยาจากหมอหรือจากร้านขายยาพอได้ยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งพอรับประทานตามที่หมอสั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายก็จะหายไปความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจ ก็จะหายไปเหมือนกันการรักษาร่างกายกับการรักษาใจนี้มีขบวนการรักษาเหมือนกันคือต้องรับประทานยาเพียงแต่ว่ายาของร่างกายกับยาของจิตใจนี้ไม่เหมือนกันยาของร่างกายก็คือยาที่เขาขายตามร้านขายยาหรือตามโรงพยาบาล แต่ยาของยารักษาใจคือธรรมะนี้คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องนำเอามาปฏิบัติต้องศึกษาก่อนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้ศึกษาแล้วพอปฏิบัติความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็จะค่อยลดน้อยลงไป และหมดสิ้นไปได้ตามลำดับต่อไปเหมือนกับการรับประทานยาทางร่างกายพอเริ่มรับประทานยาอาการก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับก็ให้รับประทานไปเรื่อยๆจนกว่ายาจะหมดหรือจนกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปนี่คือเรื่องของธรรมโอสถ การฟังธรรมนี้เป็นเหมือนการเอายามารักษาโรคใจของเราคือความทุกข์ใจต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่แทบทุกวันทุกขกับคนนั้นทุกขกับคนนี้ทุกขกับเรื่องนั้นทุกขกับเรื่องนี้มีเรื่องให้เราทุกข์กันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีธรรมะ เราก็จะไม่รู้จักวิธีรักษาความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้การฟังธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งพอจะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้หายไปได้หมดการฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดผลขึ้นมานี้จำเป็นจะต้องฟังด้วย กายวาจาใจที่สงบกายต้องอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรฟังธรรมไปควบคู่กับการทำงานอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะดีกว่าการฟังเพลงหรือฟังข่าวสารการบ้านการเมืองแต่ถ้าฟังไปแล้วก็ทำงานไปด้วย จะฟังไม่ได้เต็มร้อยนั่นเองเพราะใจจะต้องแบ่งไปกับการทํางานกับการฟังทำจะทําทั้งสองอย่างพร้อมๆกันในทีเดียวกันเลยไม่ได้เวลาฟังทำก็จะไม่ได้ดูว่ากําลังทําอะไรเวลากําลังดูว่ากําลังทําอะไรก็จะไม่ได้ฟังทะ ถึงแม้จะได้ยินเสียงแต่ก็จะไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นใจไม่ได้ไปอยู่กับการฟังธรรมใจไปอยู่กับการทำงานผลก็จะไม่ได้เต็มร้อยผลที่เกิดจากการฟังธรรมก็จะไม่ได้เต็มร้อยอันนี้ไม่ได้ห้ามท่านที่ฟังธรรมไปทำงานไปก็ถือว่าดีกว่าไปฟังอย่างอื่น ดีกว่าไปฟังเพลงไปฟังเรื่องตลกโบรคหาเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆอันนั้นสู้ฟังธรรมไม่ได้แต่ถ้าอยากจะฟังธรรมแบบได้ประโยชน์เต็มร้อยควรจะหาเวลาว่างมาฟังธรรมจะดีกว่าเพราะจะได้ฟังได้อย่างเต็มร้อยร่างกายต้องนั่งเฉยๆนะ แล้ววาจาก็ไม่พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันก็เหมือนกับไปทำงานฟังทมไปแล้วก็คุยกันไปใจไม่ได้อยู่กับการฟังทมใจอยู่กับการพูดคุยกันได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์การจะฟังแล้วให้เกิดประโยชน์ได้ต้องเข้าใจ ต้องรู้ว่าทำที่เรากำลังฟังอยู่นี้กำลังบอกให้เราทำอะไรกันถ้าเราฟังแล้วไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบนอกจากกายวาจาสงบแล้วใจก็ต้องสงบด้วย ใจก็ต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับการไปพูดหรือไปทำอะไรต่างๆเวลาฟังทำก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะการจะเข้าใจได้ใจต้องเป็นผู้นึกคิดตามนึกคิดตามทำที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าไปนึกไปคิดถึงเรื่องอื่น เรื่องไปทํากับข้าวเรื่องไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวซื้อข อ, ของเรื่องไปพบกับคนนั้นคนนีออ้การฟังธรรมก็จะไม่เกิดความเข้าใจไม่ได้รับผลที่พึงจะได้รับอยู่ห้าประการด้วยกันผลที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมนี้มีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งคือเราจะได้ยินได้ฟัง ทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้สี่จะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องห้าอย่าทำให้จิตใจสงบผ่องใสเนี่นี่แหละการฟังธรรมมีประโยชน์มากถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบจะได้รับอนิสงส์ต่างๆเหล่านี้าการฟังธรรมนีจ้จะแยกถึงผลที่จะได้รับก็ ยยกได้สองทางด้วยกันฟังเพื่อให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือฟังเพื่อให้เกิดจิตใจที่สงบผง่องใสฟังอย่างไรถึงเกิดปัญญาฟังอย่างไรถึงทำให้จิตสงบผง่องใสการจะฟังให้เกิดปัญญาเวลาฟังต้องนึกคิดตามด้วยนึกคิดถึงผับทาที่เราได้ยิน เราถึงจะเข้าใจว่าทมนี้กำลังบอกอะไรให้กับเราถ้าเรานึกคิดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้ยินมาก่อนก็ให้ฟังแบบไม่นึกคิดฟังเสียงไปใช้เสียงธรรมแทนการใช้คำบริกรรมพุโทโธหรือแทนการดูลมหายใจเข้าออก เสียงธรรมก็จะเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นเวลาฟังธรรมถ้าต้องการฟังเพื่อให้ใจสงบอย่าบริกรรมพุทโธอย่าดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆ เ, เอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์ถ้าเราเอาพุทโธหรือการดูลมหายใจ กับเกับการฟังธรรมมันจะชนกันมันจะทำให้จิตใจไม่สงบนะ<ม> yani, ถ้าเราอยากจะใช้คำบริกรรมหรืออยากจะดูลมหายใจเราก็อย่าฟังธรรมเราไปหาที่สงบไปนั่งของเราแต่ถ้าเราขณะที่เราฟังธรรมเราไม่ต้องใช้คำบริกกรรมพุทโธ ไม่ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกใช้การฟังธรรมเป็นอารมณ์แทนแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้วิธีนี้จะง่ายกว่าวิธีบริกรรมพุทโธหรือ ว, วิธีดูลมหายใจเข้าออกเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่นั่งฟังไปเรื่อยๆเท่านั้นเองถ้าต้องบริกรรมนี้เราต้องบังคับใจให้บริกรรม ถ้าดูลมเราก็ต้องบังคับให้ดูลมแต่ถ้าเวลาฟังธรรมนี้เราเพียงแต่ฟังเฉยๆมันจะง่ายกว่าสำหรับผู้ที่ยังบริกรรมพุทธโธไม่ได้ยังนั่งดูลมไม่ได้ก็ใช้วิธีฟังธรรมนี้เป็นวิธีฝึกสมาธิไปก่อนก็ได้นะแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ควรทาพร้อมกันมันจะชนกัน ไม่ควรฟังธรรมไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเวลาฟังธรรมเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์เวลาไม่ฟังธรรมนั่นแหละเราถึงจะต้องใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์หรือการดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ควบคุมใจถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่ควบ คุมใจควบคุมด้วยด้วยการบริกรรมพุทธโธหรือดูลมหายใจเดี๋ยวใจของเราจะมาหลอกเราได้ใจจะสร้างภาพสร้างเสียงอะไรมาหลอกเราทำให้เรากลัวหรือหลงได้พอเรากลัวหรือหลงเราก็จะไม่กล้านั่งอีกต่อไปเห็นต้องระวังเวลานั่งสมาธิ อย่านั่งเฉยๆอย่านั่งแล้วดูใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันจะแผงลงฤทธิ์มันจะสร้างภาพล้อนภาพหลอกให้เราหลงหรือทำให้เรากลัวได้เพราเรากลัวแล้วทีนี้เราก็จะไม่กล้านั่งอีกต่อไปแต่ถ้าเรามีมีการดูลมหายใจมีการบริกรรมพุทโธพุทโธ ใจจะไม่สามารถสร้างภาพหรือสร้างอารมณ์อะไรมาหลอกเราได้นะเราจะปลอดภัยไม่ต้องกลัวการนั่งสมาธิถ้านั่งถูกวิธีแล้วจะไม่เป็นอันตรายจะเป็นอันตรายแต่เมื่อนั่งไม่ถูกวิธีคือนั่งโดยไม่มีสตินั่งโดยไม่มีการบริกรรมพุทโธนั่งโดยไม่มีการดูลมหายใจเข้าออก หรือนั่งโดยไม่มีการสวดมนต์เนถ้ามีการสวดมนต์มีการบริกรรมพุทธโถมีการดูลมหายใจเขาออกรับรองได้ว่าไม่มีภัยอันตรายจะโผล่ขึ้นมาได้ น, นี่คือเรื่องของการนั่งฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าฟังธรรมแล้วนึกคิดตามไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆถ้านึกคิดได้ก็นึกคิดตามไปเพราะจะทำให้เกิดความรู้ความฉลาดเกิดสัมมาทิฏฐิจะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ความลังเลสงสัยของผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมีอะไรบ้างก็คือความสงสัยว่า การทำบุญแล้วจะทำให้ผู้ทาได้ไปสวรรค์นี่จริงหรือไม่การทำบาปแล้วจะทำให้ผู้ทาบาปนี้ไปอบายจริงหรือไม่ใครเป็นผู้ไปรับผลบุญใครเป็นผู้รับผลบาปเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจะงงจะสงสัยได้เพราะ เห็นเพียงแต่ผู้ที่ทำบุญหรือทำบาปคือร่างกายแล้วแต่ร่างกายนี้พอตายไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาปก็จะสงสัยขึ้นมาแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจอีก อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ทำบุญทำบาปและผู้ที่ทำบุญทำบาปที่แท้จริงนี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือของจิตใจอีกทีหนึ่งเปรียบเหมือนกับมีดอย่างนี้มีดนี้ถ้าเราเอาไปใช้ประโยชน์ก็เกิดประโยชน์เอาไปหั่นเนื้อหั่นผัก ไปทำอาหารมารับประทานได้แต่ถ้าเราเอาไปทิมเอาไปแทงคนก็ตายได้แต่เวลาที่เกิดโทษขึ้นมาเวลาเราเอามีดไปแทงคนตายตำรวจเขาไม่จับมีดเขาไปขังคุกขังตารางตำรวจเขาจับคนที่ใช้มีดคนที่ใช้มีดก็คือร่างกายของเราเนี่จับไปติดคุกติดตาราง ฉันใดเวลาเราทําบุญหรือทําบาปเหล่านี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญหรือทําบาปเช่นวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาที่วัดร่างกายไม่ได้มาเองะร่างกายรอรับคําสั่งของเราคําสั่งของเราก็คือความคิดของเรานี่ เ, เราคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ เราไปทําบุญที่วัดมีเวลาว่างไปทําบุญที่วัดเนี่ยเราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามาที่วัดมาทําบุญขนข้าวขนของขนอะไรต่างๆมาถวายพระผู้ที่ทําจริงๆจึงไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือของผู้กระทําคือใจผู้สั่งนี่แหละผู้คิดนี่แหละคือผู้กระทํา แต่ใจไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นได้เราก็เลยไปคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ความเป็นจริงใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเวลาร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละเป็นผู้รับผลบุญผลบาปและรับตั้งแต่ยังไม่ตาย ผลบุญผลบาปคืออะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ความรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์นี่แหละคือผลบุญผลบาปเวลาทําบุญเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาทําบาปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขใจทุกข์ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไปกับการทำบุญทำบาปเหมือนมีด ushi, ไม่ได้สุขไม่ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไปกับการทำบุญหรือทำบาปมีดไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรผู้ที่รู้เรื่องของการทำบุญหรือทำบาปก็คือใจอที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ที่เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วผลบุญผลบาปก็อยู่ในใจนี่แหละคือความสุขใจหรือทุกข์ใจเวลาใจไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญหรือทาบาปนี้เองใจที่เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดา อยู่ในสวรรค์นีใจที่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในอบายดวงวิญญาณของเปรตดวงวิญญาณของสุลกายดวงวิญญาณของนรกนี่เป็นเนี่ยถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าบุญนี้ จะทำให้ผู้ทาไปสวรรค์จริงหรือไม่บาปนี้จะทำให้ผู้ทาไปนรกไปอบายจริงหรือไม่นอันนี้ฟังแล้วจะแก้ความสงสัยได้พอเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการทำบุญเรื่องของการทำบาป เรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วคือจิตใจนี้เองจิตใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจไปรับผลบุญผลบาปแล้วหลังจากที่ผลบุญผลบาปได้หมดไปแล้วยังไปเกิดใหม่อีกด้วยไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เนี่ย ชาตินี้เราก่อนที่เรามาเกิดนี่เราเป็นดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผลบาปมาพอบุญกับบาปที่เราได้ไปทําได้ไปรับไปชดใช้หมดแล้วเราก็มาเป็นดวงวิญญาณรอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอพ่อแม่แต่งงานกันร่วมหลับนอนกัน ก็ผลิตร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราที่ไม่มีร่างกายเราก็ไปรับร่างกายจากพ่อแม่ทันทีนับด้วยการไปเอากระแสของเรากระแสของการรับรู้เรียกว่าวิญญาณท่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไปเกาะติดกับร่างกายไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายทันที พอร่างกายออกจากท้องแม่มาก็จะเห็นภาพได้ยินเสียงผ่านทางตาทางหูทันทีแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายทันทีนนี่แหละคือความหลงหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราซึ่งความจริงร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้ส่งกระแสะการรับรู้ไปที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะได้พอเรามีตาพอเปิดตาก็เห็นภาพภาพก็จะวิ่งเข้ามาผ่านกระแสะการรับรู้คือวิญญาณทางตาเรียกว่าจักรุวิญญาณถ้าเสียงก็เข้ามาทางหู แล้วก็ผ่านกระแสการรับรู้ทางหูเรียกว่าโสต ะ, ะโสตะวิญญาณอพอมีจกักขุวิญญาณมีโสตะวิญญาณรูปและเสียงมันก็จะวิ่งมาที่ใจใจผู้รู้ก็จะรับรู้ว่าอ๋อมีรูปเกิดขึ้นแล้วก็มาดูว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือไม่ ก็ต้องใช้สัญญาความจำรูปนี้ถ้าเคยเห็นก็จะจําได้จะจําได้ว่าเป็นใครถ้าไม่เคยเห็นก็ยังไม่รู้ก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ต่อไปจากผู้รู้คือผู้หลักผู้ใหญ่ใหม่ๆก็เห็นเห็นรูปของพ่อเห็นรูปของแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร พ่อแม่ก็ต้องบอกว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ก็จะรับรู้จะจำได้ต่อไปเวลาเห็นรูปของพ่อก็รู้ว่า อ, อ๋อนี่คือพ่อเห็นรูปของแม่ก็นี่คือแม่เนี่ ย, ยใจต้องได้รับการสั่งสอนได้การรับรู้เห็นแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องได้รับการสั่งสอนได้เรียนรู้ว่ารูปที่เห็นนี้ดีหรือไม่ดี รูปบางรูปเห็นแล้วไม่ดีเพราะทําให้เราทําให้ร่างกายเจ็บเช่นไปเห็นสัตว์เช่นยุงมากัดอย่างนี้กัดก็เจ็บก็รู้ว่ารูปรูปชนิดนี้ไม่ดีเห็นแม่เวลาหิวแม่ก็เอาน้าเอานมมาให้ดื่มเหรเห็นว่ารูปชนิดนี้ดีจะจําไว้หมดจิตใจ แล้วข่าวต่อไปมันจะรู้ทันทีเวลาเห็นรูปที่ทำให้เจ็บก็จะรู้เวลาเห็นรูปที่ทำให้สุขก็จะรู้พอรู้แล้วก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าควรจะทำยังไงกับรูปที่เห็นถ้าเป็นรูปที่ทำให้เจ็บก็ทําลายมันเช่นตบยุงยุงมากัดทำให้เจ็บก็ต้องตบมัน คนเอาของมาให้เราดื่มเราก็ต้องขอบใจเขาอันนี้ก็จะเป็นขบวนการของการเรียนรู้ของใจต่อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ใจมาสัมผัสดับรู้ด้วยแล้วพอใจรู้แล้วว่ารูปแบบไหนทำให้สุขรูปไหนแบบไหนทำให้ทุกข์ใจก็จะเลือกจะเลือกหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้สุข ส่วนรูปเสียงกลินรถที่ทำให้ทุกข์ก็พยายามที่จะปัดทิ้งไปพยายามจะหนีจากมันไปโดยใช้ร่างกายนี้เป็นตัวทำหน้าที่นี่แหละคือเรื่องของใจที่ละมาได้ร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่บางที เครื่องมือที่หาความสุขก็ไปหาความทุกข์ให้กับเราเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราหากันนี้มันมีทั้งสองสองชนิดชนิดที่ให้ความสุขก็มีชนิดที่ให้ความทุกข์ก็มีซึ่งบางทีเราก็ไปควบคุมบังคับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้เช่นเสียงเราได้ยินเสียงคนพูด เราไปสั่งให้เขาพูดให้เราสุขอย่างเดียวไม่ได้บางเวลาเขาก็พูดให้เราทุกข์ก็ได้เช่นเขาตำหนิติดเตียนเราว่าเราดูถูกดูแคลนเราอันนี้มันก็เลยทำให้ใจเราต้องมาเจอความทุกข์ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่อยากจะไปหาความสุขแต่สิ่งที่เราหาคือรูปเสียงกลิ่นรสนี่ มันมีทั้งสุข้วมีทั้งทุกข์นั่นเองและบางเวลาเราก็ไม่สามารถสั่งให้มันเป็นสุขได้เสมอไปบางเวลาก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้นี่แหละคือเรื่องของเรื่องราวของเราที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและเรามาทำอะไร หลังจากที่เราได้มาเกิดแล้วถ้าเราได้เรยนได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่เรามาเกิดกันก็เพราะว่าใจของเรามีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่จึงพาให้เรามาเกิดกันมามีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วการหารูปเสียงกินลดบางทีมันก็ทำให้เราต้องทำบาปกันเพราะบางทีเราไม่สามารถหารูปเสียงกินลดโดยวิธีอื่นได้เราก็เลยต้องหาด้วยวิธีทำบาปเช่นเราอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินเที่ยวเราก็ไปลักขโมยเงินของคนอื่นมาพอได้เงินมาเราก็ไปเที่ยวได้ และก็เลยเราก็เลยถูกบังคับให้ทําบาปโดยไม่รู้สึกตัวถูกบังคับด้วยความอยากของเรานี่แล้วบางทีความอยากของเรามันก็ทําให้เราหาเงินมาได้มากโดยที่ไม่ได้ทําบาปคนบางคนสามารถไปทํางานไปทําอะไรแล้วมีเงินทองได้รายได้มามากมายพอามีเงินทองมากกว่าที่จะใช้ได้ ก็คิดจะให้คนอื่นแบ่งให้คนอื่นบ้างนะก็ได้ได้โอกาสได้ทําบุญไปเนะี่ยพอเรามาเกิดแล้วนะเราก็เลยถูกเหตุการณ์ถูกสถานการณ์มั น, ม, นมันส่งเสริมหรือผลักดันให้เราไปทําบุญหรือไปทําบาปกันแล้วเวลาเราทําบุญเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมานะ เวลาทำบาปเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขใจแล้วความทุกข์ใจนี้มันก็จะสะสมอยู่ในใจของเราไปแล้วตอนที่เวลาร่างกายเราตายไปความสุขใจแล้วความทุกข์ใจมันก็จะมาบวกลบคูณหารกันมาประลองพลังกันดูว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะ ทำให้ดวงวิญญาณของเราเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขถ้าบาปมีกาลังมากกว่ามันก็จะทำให้ดวงวิญญาณของเรามีความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตอสูรละกายนารกนี่นี่แหละคือเรื่องราวของเรา เรื่องของการทำบุญเรื่องของการทำบาปและเรื่องของการรับผลบุญผลบาปที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เราจะเข้าใจว่านี่แหละคือชีวิตของพวกเราทำไมเราจึงมีความสุขทำไมเรามีความทุกข์เราก็จะรู้ว่า เกิดจากการกระทาของเราเจอการหารูปเสียงกลิ่นรสของเราถ้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจเราก็ได้ความสุขถ้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจเราก็ได้ความทุกข์แล้วถ้าเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยการทำบาปเราก็ได้ความทุกข์ถ้าเรา แบ่งปันทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้กับผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขเราก็จะรู้ว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงทําบุญแล้วเวลาตายไปจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็จะเรียกว่าสวรรค์หรือเทวดาถ้าทําบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ ก็จะเรียกว่าอบายเราก็จะทำอย่างนี้สลับกันไปพอตายไปเราก็ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นไปเป็นเปรตไปนรกแล้วพอบุญหรือบาปที่เราทำมันหมดกำลังมันก็จะปล่อยให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสกันใหม่แล้วเราก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่พอตายไปเราก็กลับไปเกิดมาเราก็ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆกันใหม่อีกนี่แหละที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพ พบที่เสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเราได้มาพบกับคนที่หาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือความสุขจากการทำจิตใจให้สงบคือการเข้าฌานต่างๆเข้ารูปฌปานและอรูปฌปานดวงใจจิตใจของพวกเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง เวลาจิตของเราสงบจิตของเราจะมีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องเสพกลามไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิน่นรสพอร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพรูปภพหรืออรูปภพนี้คือที่อยู่ของพรหมพรหมสองชนิด รูปประพรมกับอารูปประพรมเกิดจากการฝึกสมาธิเกิดจากการเข้าฌานระดับรูปฌานและอารูปฌานแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออารูปฌานก็เป็นเหมือนกับดวงวิญญาณที่ได้เป็นเทวดาจากการทําบุญก็จะต้องเสื่อมจะต้องหมดนะ จากรู ป, ปอรู ป, ประพมมก็จะุเลื่อนลงมาสู่รูปประพมจากรูปประพมมก็จะเลื่อนลงมาสู่โลกของเทวดาแล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่โลกของมนุษย์ต่อไปอันนี้คือไตภพกามภพรูปภปพและอรูปภพกามภพคือผู้ที่เสพกามเสเพลื่เสียงกลิ่นรส รูปภพคือผู้ที่เสบรูปประชานเป็นเป็นอารมณ์อารูปภพคือผู้เสบรูปอรูปประชานเป็นอารมณ์ให้ความสุขนะนี่คือมีความสุขสามรูปแบบที่ดวงวิญญาณอยู่ในใต้ภพเลือกเสบกันพนวะกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่เสบกามกันพวกเราก็ได้อยู่รูปภพแต่ถ้าพวกเราไป ถือศีลแปลดได้ไปหัดไปหัดนั่งสมาธิเข้าฌานได้เราก็จะเปลี่ยนจากการเสบกามมาเสบรูปฌปานแทนหรืออารูปฌปานแทนจิตของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่สงบละเอียดกว่าดวงวิญญาณของเทวดาของผู้ที่ทำบุญ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเคยทําบุญก็กลับมาทําบุญใหม่เคยทําบาปก็กลับมาทําบาปใหม่เคยเข้าฌานเคยนั่งสมาธิเข้ารูปฌานก็จะกลับมาทําใหม่แล้วก็จะได้รับผลแบบเดิม เขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดกลับไปกลับมาอย่างนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเวลาที่เรามาเติมบุญเติมบาปหรือเติมรูปประชานหรืออารูปประชานกันและในช่วงที่มีร่างกายก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันถ้าเราไม่อยากจะต้องกลับมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของการเป็นมนุษย์อยู่เรื่อย เราก็ต้องรอให้มีคนฉลาดมาสอนเราคนฉลาดที่จะบอกให้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบวิธีที่จะดึงที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดในต่ภพไม่ต้องเกิดในกามะพุทรูประพและอรูประพ พระพุทธเจ้าสงคนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณกลับมาเกิดในกามาพบรูปพบหรืออรูปพบก็คือตัณหาสามประการด้วยกันตัณหาสามชนิดตัณหาคือความอยากความอยากชนิดที่หนึ่งคือกามะตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดในกามาพบนะ พวกเรามีใครปฏิเสธไหมว่าไม่ไม่อยากเสบรูปเสียงกลิ่นลัดกันยังอยากดูหนังฟังเพลงกันหรือเปล่ายังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการเสพกามส่วนอีกพวกหนึ่งนี่เขาไปบวชกันเขาไม่เสพกามเขาไปบวชแล้วเขาก็ไปเสบรูปประชาน พวกที่เสบ ร, รูปฌานก็เกิดจากความอยากที่เรียกว่าภาวะตัณหาภาวะตัณหาความอยากได้ความสุขจากความสงบภาวะที่สงบส่วนพวกที่ได้อารูปฌานนี้เป็นพวกที่เสกความว่างอารูปฌานนี้คือความว่างก็จะเป็นพวกวิภาวะตัณหาพวกที่เสบความว่างเรียกว่าวิภาวะตัณหา ความอยากมีสามกลุ่มสามชนิดกามาตัญหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะพาให้มาเกิดในกามพพรมมาพบภาวะตัญหาความอยากจะเสพความสงบจากรูปประชานก็จะก็คือภาวะตัญหาก็จะพาให้มาเกิดในรูปในรู ป, ปรพบวิภาวะตัญหาคือความอยากเสพความว่างของอรูปประชาน ก็จะมาเกิดในอรูปภพอรูปภพนะครถ้าตัดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในใภพบจะทำยังไงถึงจะตัดได้ก็ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสงคนพบว่ากามาพบกามาตัณหานี้ไม่ได้พาเราไปหาความสุขหรอกมันพาเราไปหาความทุกข์ พรารูปเสียงกลิ่นรสที่จะให้ความสุขกับเหล่านี้มันให้เราได้เพียงชั่วคราวให้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปยกตัวอย่างอยู่คนเดียวเหงาต้องมีแฟนพอได้แฟนก็ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนก็เกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวถึงเวลาจากกันแฟนทิ้งเราหรือเลิ ก, เลกกับเราหรือตายจากเราไปทีนี้เราก็เหงา เศร้าทุกข์เพราะไม่มีรูปเสียงกดลิ่นรสของแฟนมาให้เสพเนี่ยต้องมองเห็นอนาคตของสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเวลามีมันก็สุขพอเวลามันไม่มีแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เนี่ยให้เรามองว่ารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆที่เรา หากันเจ็บกันเพื่อให้ความสุขกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราทุกเวลาที่มันหมดไปเพราะมันต้องหมดเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นไม่ใช่เป็นของที่เราจะบังคับให้เป็นของเราได้ไปตลอดคือต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเสียงกลนะิ่นรสพอเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถอยไม่เอาใครต้องการความทุกข์บ้าง ทุกคนเกิดมานี้ต้องการหาความสุขทั้งนั้นแต่ขาดปัญญาเลยไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเมารู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วตอนที่เกิดความทุกข์ตอนนั้นก็ทรามานไม่รู้จักวิธีหยุดวิธีแก้มันได้นี่เพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจะรู้ก่อนเลยว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์นะ ถึงแม้มันจะเป็นสุขมันก็เป็นสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเอารูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากรูปเสียงกลิ่นรสพอเราไม่ทําตามความอยากรูปเสียงกลิ่นรสความอยากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะค่อยๆหมดไปหายไป มือเราอยากดูหนังถ้าเราไม่ดูต่อไปความอยากดูหนังก็หมดไปอยากดื่มกาแฟถ้าเราไม่ดื่มกาแฟต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็หมดไปอยากสูบบุหรี่พอเราไม่สูบบุหรี่ต่อไปความอยากสูบบุหรี่ก็จะหมดไป น, นี้คือต้องเห็นด้วยปัญญาว่วาการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะมีความทุกข์ตามมาตอนต้นสุข แต่ตอนปลายมันจะทุกเวลามันหมดเวลามันจากเราไปถ้าเราเห็นตายรักในรูปเสียงกลิ่นลสนเราก็จะไม่อยากจะเสพการ์มอีกต่อไปเมื่อเราไม่เสพการมต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมามีรูปเสียงกลิ่นลสไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายว่เาเราไม่ต้องการเสพแล้วมีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่เราก็จะไปเสพอย่างอื่นแทนพอเราไม่เสพกามเราก็จะไปเสพรูปประชานอารูปประชานแทนพอเราไปเสพรูปประชานเราก็ต้องบอกสอนใจว่ารูปประชานนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นของชั่วคราวเวลาเราเข้าสมาธิเข้าฌานก็เกิดความสุขแต่พอสติเราอ่อนกำลังลง จิตเราก็จะถอยออกจากรูปฌปานออกมาพอถอยออกมาความสุขของรูปฌปานก็หายไปก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่สุขใจเช่นเดียวกับอรูปฌปานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาให้เห็นว่ารูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดภาวะตัณหาได้ แล้วเราพิจารณาอารูประชานว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดวิภาวะตัณหาได้พอเราหยุดตัณหาทั้งสามได้แล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาดึงดวงวิญญาณของเราให้กลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่มีกามะตัณหาที่จะมาดึงใจให้เรามาเกิดในกามะพบ ไม่มีภาวะตัณหาที่จะดึงใจให้เรากลับมาเกิดในรูปภพไม่มีไม่มีอะไรไม่มีวิภาวะตัณหาที่จะดึงให้ใจเรากลับมาเกิดในอรูปภพเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าภพทั้งสามนี้เป็น อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองความสุขทั้งสามความสุขจากการเสพกามนี้เป็นทุกข์ความสุขที่เกิดจากการเสพรูปฌานก็เป็นทุกข์ความสุขที่เกิดจากการเสพอรูปฌานก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปครอบครองไว้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้ จะให้มันอยู่กับเราตลอดไม่ได้เมื่อช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้วิธีการตัดการกลับมาเกิดในไทยภคเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ ผู้อื่นนี้รู้จักวิธีตัดกามมพบได้เช่นพวกฤาษีชีไพร์พวกที่นั่งสมาธิเข้าฌานได้เขาจะไม่มาเกิดในกามมพบถ้าเกิดก็เพียงแต่เกิดมาเพื่อจะเข้าไปสู่รูปภพและอรูปภพต่อคือเกิดมามีร่างกายแล้วก็มา ฝึกนั่งก็มานั่งสมาธิเข้าฌานพวกนี้จะไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาได้พบความสุขที่ดีกว่าจากการกว่าการเสบรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็จะไปบวชกันไปเป็นฤาษีเป็นนักบวชกันไปเสบรูปไปเสบรูปประชานกับอารูปประชานกันแทนแต่ก็ยังต้องติดอยู่ใน ในใจพบยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้มานั่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆเพียงแต่เขาไม่นำมาเสพการเหมือนพวกเราที่ยังยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังเข้าฌานไม่ได้วิธีหาความสุขของพวกที่เข้าฌานเข้าสมาธิไม่ได้ก็ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลนอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ แต่งเนื้อแต่งตัวกันอันนี้ก็เป็นการเสพการแล้วอยากจะให้ร่างกายเราเดูวสวยงามนี่อันนี้ก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายของเราอยากจะได้แฟนก็เป็นการอยากก็เป็นการเสพการแลอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสของแฟนเห็นรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนแล้วมีความสุขขึ้นมาแต่เวลาทะเลาะกันรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะมันไม่เที่ยงมัน ม, มันไม่แน่นอนบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นลดของรูปประชานและของอารูปประชานถ้ามีปัญญาเห็นตลอดเวลาของความไม่เที่ยงของรูปของของรูปเสียงกลิ่นลดของรูปประชานของอารูปประชานความอยากจะเสพ ความเสพรูปประชาเสพผรูปปชามันก็จะหมดไปเมื่อหมดไปก็ไม่มีอะไรจะดึงให้กลับมาเกิดในไตภพอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปใจที่ไม่ต้องมาเกิดก็ไปอยู่ที่นิพพานอยู่ที่นอกไตภพไตภพนี้เปรียบเหมือนบ้านถ้าเราอยู่นอกบ้านก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่ในบ้าน ถ้าเราออกนอกบ้านไปเราก็ไปอยู่นอกบ้านถ้าเราไม่อยู่ในตายภพเราอยู่นอกตายภพที่ที่อยู่นอกตายภพเราก็เรียกวันนิพพานนี่เองที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายอยู่กันเรียกวันนิพพานเพราะท่านใช้ปัญญาหยุดความอยากทั้งสามได้ หยุดกามตัะหาหยุดภาวะตันหาและหยุดวิภาวะตันหาได้พวกเราก็สามารถที่จะหยุดได้ถ้าเรามาศึกษาวิธีที่จะหยุดกามาตัะหาภาวตันหาและวิภาวตันหาเราก็ต้องหยุดด้วยปัญญาแต่การที่เราจะสร้างปัญญาขึ้นมาได้เราก็ต้องฝึกสมาธิก่อนต้องมีสมาธิก่อนเราถึงจะมาสร้างปัญญาได้ และก่อนที่เราจะสร้างสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อนเราก็ต้องถือศีลแปดไปบวชกันก่อนแล้วก็ไปฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิได้เราก็จะได้ไปศึกษาปัญญาต่อไปให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตายรักการรูปเสียงกลิ่นรสเป็นตายักรูปประจานเป็นตายรักอารูปปัจจานเป็นตายักพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะระงับ กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาได้พอระงับได้เราก็หลุดพ้นจากตายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภได้เราก็จะไปอยู่ในนิพพานทันทีนี่แหละคือมงคลแห่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมจะนำพาจิตใจของเรา ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปอยู่กับความสุขของพระนิพพานที่เป็นบรมสุขเป็นบรลมังสุขขังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ท่านได้กันได้และจะเป็นของพวกเราต่อไปถ้าพวกเรา ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินจากการฟังเทศ์ฟังธรรมนี้เองก็คิดว่าพอสมควรเวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏชิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิตาตุสัพเเปโปลเอนตุสังกะปา จันโทปนะราโสยถามะนีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินาศโตมาเตภวตวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีิตสานิจังุทธาปจายโนจตาโรโธัมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากปิดใหม่แล้วก็จะงดถามถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทาง f a c e b o o สอง7้หสิบเจ็คนทาง y o u t u สอง2 1ยสบเอ็ดคนทางวิทิวออนไลน์หกคนรับฟังบนเขา78จสิบแปดคน รวม572คนค่ ะ, ะวันนี้คนมาที่นี่น้อยหน่อยเหมือนกับวันธรรมดาเพราะปกติเสาร์อาทิตย์นี้ต้องประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบขึ้นไปวันนี้แค่เจ็ดสิบกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเห็นได้ข่าวว่าฝนตกที่น้ำท่วมนะอาจจะเดินทางมายาก อาจจะคิดว่าข้างบนคงจะตกด้วยเลยไม่กล้ามากันมาแล้วเดี๋ยวไม่มีที่นั่งถ้ามีคำถามก็ถามได้ค่ะคำถามจาก a ฟ e b o o k คุณธนากรค่ะพอเวลานั่งสมาธิแล้วอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยรู้สึกเหมือนมีเสียงที่ได้ยินอยู่ภายนอกมันเบาลงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับเสียงเหล่านั้น แต่ก็พยายามอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยอาการเหล่านี้จัดเป็นสมาธิได้หรือยังครับก็เริ่มเป็นเหมือนกับเดินเข้าไปในถ้ำนะเสียงที่อยู่ข้างนอกถ้ามันก็จะรู้สึกไกลห่างไปห่างไปถ้าเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเสียงก็หายไปเนี่ยพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเป็นการเดินเข้าไปในถ้ำอยากจะถามคําถามเนยเดี๋ยวรอเอาไมครโฟนก่อน หลวงพ่อครับคือผมนั่งสมาที่เราผมภาวนาพุทโธไปเรื่อยครับแล้วจิตผมมันดับไปครับพอดับไปปุ๊บเหมือนมันอยู่ในภวังนะครับคําภาวนาหายหูดับก่อนหน้าที่คําภาวนาหายหูดับมันก็จะมีเสียงลมวิ่งขึ้นมาครับหูผมกระดิกผมก็ได้ยินเสียงกระดิกอย่างเงี้ยครับลมวิ่งแล้วพอพอภาวนาหายหูดับปุ๊บบวกกับผมปวดขาหนักเลยครับปวดจนทรมานนะครับทนไม่ได้ครับ เมื่อออกจากสมาีิครับแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่ผมเข้าไปผมก็จะไปอยู่ติดอยู่กับอาการปวดขาผ ม, ผมข้ามวงนี้ไปไม่ได้ครับก็บริกรรมต่อไปพุโทโธต่อไปนั่งต่อไปอย่าไปสนใจกับความรู้สึกเจ็บขามันเป็นของหลอกของปลอมไม่ต้องไปสนใจพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ครับพอลืมตามาแล้วอาการปิดขาไม่ได้ปวดครับได้มันหลอกเราไงจิตมันหลอกเราเพราะเราหยุดพุทโธอือย่าหยุดพุทโธพอาะมันพุทโธไม่ได้ครับเ พ, <อ>พาราะว่าคาบรรลามันหายไปแล้วครับมันได้แต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาได้ก็จะได้คุณพุทโธได<อ>้คุณไม่พุทโธเองคุณอยากจะลุกมันก็เลยไม่พุทโธ คุณต้องสู้กับความอยากจะลุกให้ได้อย่าไปอย่าไปทำตามความอยากจะลุกต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธต่อไปเราอยู่กับลมหายใจพุโทโธไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆต่อไปมันจะสงบจะนิ่งไม่งั้นคณก็ติดตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วคนก็พอเกิดอาการเจ็บขาก็อยากจะลุกขึ้นมาก็หยุดหยุดพุดโทโธ ต้องพุโทโธต้องบังคับเหมือนเห็นเห็นโคกขึ้นเขาเห็นก้อนเห็นขึ้นเขาครับต้องพยายามดันมันต้องพุโทโธแต่ น, นั้นมันจะยากเพรรู้สึกว่าไม่อยากจะพุโทโธแล้มันอยากจะลุกอย่างเดียวตอนนั้นต้องฝืนต้องสู้กับมันปวดปวดหนักแล้วเหมือนโดนกีดนี้ครับโดนมีดกีดแล้ววิธีที่จะแ ก, ก้ก็คือต้องฝึกพุพโทโธก่อนมานั่งต้องฝึกพุทโธเยอะๆฝึกพุโทพพโธตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลย ออตื่นขึ้นมากับพุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธพุทโธไปครับผมอแล้วเวลานั่งมันพุทโธจะมีกําลังมันจะไม่หายไปง่ายๆอ๋อครับแล้วที่ผมนั่งแล้วคํารรณาหายแล้วหูดับมันที่มันดิ่งเหมือนแบบมันดูในพวังนั่นมันคืออะไรครับผมก็มันถ้ามันพวังจริงมันก็ตั้งสงบมันมันก็จะไม่อยากจะลุกนี่พวังปลอมพวังแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาครับ ถ้าระวังจริงมันสงบมันไม่อยากจะลุกมันอยากจะนั่งไปนานๆานเพราะมันมีความสุขอ๋อครับแสดงว่า ม, มันมันระวังหลอกไม่ใช่ระวังจริงครับเห็น <ral. S 1> ถ้าระวังอยากลุกนี่ไม่ใช่ระวังจริง <Norweg. kommer. S 1> ต้องระวังอยากไม่ลุกอยากจะนั่งไปนานๆครับผมภาวนาพุโทโธพุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทโธนอนเช้ามาแล้ฝึกพุทโธไปทั้งวันเลยทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไป อยให้มันไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราอีกอย่างหนึงครับตอนนี้ผมแบบไม่ค่อยสบายกายไม่เบายไม่สบายใจครับมีแบบทํามีแต่เรื่องแบบเหมือนแบบทําให้ลําบากใจนะอย่างนี้อยู่วะครับก็ความอยากของเรานี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้พอไม่ให้เป็นมันก็ไม่สบายใจก็หยุดความอยากยินดีตามมีตามเกิดแล้วมันก็จะหายอมีมีเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้น ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็จะไม่สบายใจถ้ยินดีตามมีตามเกิดความอยากทำให้เราไม่สบายใจแต่เราไม่มีความอยากมันก็จะไม่เกิดความไม่สบายใจนะอ่ามีีกมอ่าทรงกลับไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณกิติยาค่ะ อยากจะไปทำบุญอาทิตย์หน้ามากแต่หนูป่วยไม่สบายสามารถใส่บาทแต่ฝากเงินร่วมทำบุญเพื่อนไปแล้วหนูจะได้บุญเหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันคือถ้าไปมันก็ได้บุญอย่างอื่นแถมด้วยไปก็ได้ความขยันได้ความเพียรไปก็อาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรทานองนี้ด้วยแต่อยู่บ้านก็ทำได้เนี่ยบริจาคเงินไปก็ได้ไ ด, ได้บุญส่วนนี้แล้ว ค่ะคำําต่อไปจากคุณเจ้าป่าค่ะระหว่างบทสวดพาหงมหากราบและบทสวดพระคาถาชนะบนนัญชรถ้าจะให้เลือกสวดสักบทหนึ่งควรเลือกสวดบทไหนก่อนดีครับเอได้ทั้งนั้นเน่ยมันเหมือนกันการสวดนี้ไม่ได้อยู่ที่บทไหนการสวดนี้เป็นอุบายเพื่อให้เราหยุดคิดเนี่ย ถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวก็นั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาพอเราสวดมันก็ไม่วุ่นวายมันก็เย็นสบายส่วนบทไหนที่เราจําได้ที่เราชอบก็สวดไปมันไม่มีอันนิสอง์อย่างอื่นตามที่เขาว่ากันหรอกว่าสวดบทนี้แล้วจะรวยสวดบทนี้แล้วจะได้แฟ น, นมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้หรอกมันได้ความสงบได้สติการฝึกสวดบทนี้เพื่อการฝึกสติ ให้ใจสงบมีความสุขซึ่งความสุขที่ได้จากความสงบดีกว่าความสุขจากการที่ได้แฟนได้ร่ำได้รวยไม่เชื่อลองทำดูถ้าจิตสงบแล้วมันจะรู้สึกโอ้เงินทองร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้ดาราภาพยนตร์ก็ซื้อไม่ได้ความสุขแบบนี้ลองทำไปพยายามฝึกสติเบื้องต้นก็หัดสวดมนต์ไปก่อนถ้าฝึกสติอย่างอื่นไม่เป็น ถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปทั้งวันพอถึงเวลานั่งก็หลับตาพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าหยุดให้มันหยุดแบบตกลุมตกบ่อตกเหวแล้วมันจะหยุดเองหยุดแล้วมันก็จะนิ่งแล้วจะมีความสุขมากๆมันจะไม่อยากลุกถ้ามันตกผวังจริงๆมันมันจะไม่อยากลุกเพราะมันเกิดมันพบกับความสุขอันมหาศาลถ้าไม่เจอความสุขไปเจอความทุกข์ก็เป็นผวังปลอม ต่อไปคำถามค่ะเมื่อวานนี้ได้แอดบิดที่โรงพยาบาลเพราะติดเชื้อในทางเดินอาหารแต่ได้เรียนบริกรรมพูดโชจากพระอาจารย์มาได้สักพักหนึ่งแล้วอาการปวดท้องแทบตลอด12ชั่วโมงหนูก็บริกรรมพูดโชสู้และบีเย็นตลอดโดยไม่สนใจกายนี้จนผ่านมาได้หนึ่งคืนค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วกลับขอบพระคุณที่สอนเจ้าค่ะเ อ, อ พราะเวลาเราเจ็บร่างกายแล้วใจเราไปเจ็บด้วยแล้วความเจ็บของร่างกายนี้มันรุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายความเจ็บของใจนี้รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายแต่เราหยุดความเจ็บของใจได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอความเจ็บของใจหยุดความเจ็บของร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะมันไม่ใหญ่มันเหมือนเข็มฉีดยาเนี่ยก่อนจะฉีดยานี่โอ้ เจ็บไปก่อนแะหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้เข็มหนึ่งนี่ใจมันเจ็บไปก่อนนะแต่พอเจ็บพอเจพอฉีดจริงๆเหมือนกับยุงกัดอหนิดเดียวจิ้มไปครึ่งเดียวเหมือนถูกยุงกัดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราพุทธโทพุทธททำใจให้นิ่งไว้จะไม่รู้สึกเจ็บทางใจเลยใจจะเฉยพอหมอจิ้มเข็มเข้าไปก็เหมือนถูกยุงกัดเท่านั้นเอง ดีแล้วล่ะพยายามฝึกไปนี่เป็นตัวอย่างที่พึ่งทางใจได้พยายามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามีความเศร้าโศกเสียใจยามว้าเวใช้พุทโธพุทโธแล้วจะทำให้ใจสงบแล้วอาการเศร้าโศกเสียใจว้าเวหรือทุกข์ทรมานใจจะหายไปต้องขยันเหมือนหัดพุทโธนี้เหมือนหัดวิ่งมาราธอนนะ ถ้าเราไม่หัดวิ่งมาก่อนพอถึงเวลาไปวิ่งวิ่งไม่ได้แล้ววิ่ ง, ง, งได้ไม่กี่ก้าวหมดแรงแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยซ้อมพุทโทมาก่อนพอถึงเวลาจะใช้พุทโทรจริงๆพุทโทได้สองสามคำหยุดแล้วไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อแล้วต้องบังคับให้มันพุทโทบ่อยๆพุทโทนานๆเหมือนกับการถัดฝึกวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องบังคับให้มันวิ่งยาวๆวิ่งนานๆวิ่งบ่อยๆ วิ่งจนมันมีกำลังชำนานวิ่งได้สบายหัดพุทธโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสบายพุทธโธเมื่อไหร่ก็ได้พอถึงเวลาจะใช้พุทธโธก็พุทธโธได้เลยพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวความจริงไม่นานห้านาทีสิบนาทีอาการทรมานใจต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วนะถามอีกส่งมาให้ อ่าเมื่อกี้ตะว่าคุณต้องการไม่ใช่เลยอ่าเนี่ยทำไมไปเลผมอยากถามหลวงพ่อครับถ้าเกิดเรานั่งส ม, มาธินานๆแล้วเกิดอาการปวดขานี้เราจะทําให้แบบเราเดินไม่ได้หรือเปล่าครับหมายถึงแบบเป็นเอาวุธ อ, อ, อกพาดได้ไหมครับการทำส ม, มาธิไม่เห็นมีเนี่ยพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านนั่งทั้งคืนทั้งวันไม่เห็นนั่นเป็นอะไรถ้ามันเมื่อยมากๆก็ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้นั่งแบบแบบไม่มีการเปลี่ยนนิยามบทสลับได้ นั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมงได้ไม่ต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนเข้าใจไหยเวลาเวลาลุกขึ้นมาก็พุทโธต่อเวลานั่งก็พุทธโททำเหมือนกันแต่เปลี่ยนท่าท่านั่นงท่านั่งเป็นท่าเดินถ้าเกิดเรานั่งไปนานๆแล้วแบบปวดขานี่เราต้องเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนการนั่งไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการ จ, ากจะเอาชนะความปวดหรือไม่ถ้าเราต้องการชนะความปวดเราก็ไม่เปลี่ยนปล่อยหมันปวดไป แต่ถ้าเราไม่ต้องการชนะความปวดหรือเรารู้เราชนะมันแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปทรามารร่างกายเราก็เปลี่ยนได้ลุกขึ้นมาเดินได้ถ้าเราคิดว่าเรานั่งมานานพอสมควรใจเราสงบมานานพอสมควรถึงเวลาต้องเปลี่ยนให้มันก็เปลี่ยนให้มันแต่ช่วงที่เราต้องการต่อสู้กับความเจ็บปวดเราไม่เปลี่ยนเราต้องการเอาชนะความเจ็บปวดชนะด้วยใจคือใจไม่ไปยุ่งกับมัน ชนะด้วยการปล่อยวางปล่อยให้มันปวดไปไม่ใช่ทําให้มันหายไม่ใช่ชนะด้วยการให้มันหายชนะด้วยการไม่กลัวความปวดนะปวดปวดหนักมากเลยครับให้มันปวดไปถ้าเราอยู่กับมันได้แสดงว่าเราไม่กลัวความปวดถ้าเรากลัวก็ยังแสดงว่าเราแพ้มันอยู่เราต้องไม่กลัวมันเราถึงจะชนะมันแต่ไม่เราจะไม่เป็นไรใช่ไหยครับไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอก ทำอย่างอื่นนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนยังไม่เป็นอะไรเลยอพอมานั่งสมาธิหน่อยเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วนั่งดูหมอลำทั้งคืนนี่ไม่เป็นครับคำ ถ, ถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการพูดเล่นที่ไม่เป็นความจริงถือกัน คือเป็นการผิดศีลไหมคะถ้าไม่เป็นความจริงก็ผิดศีลนะพอพูดปดนะทำให้เกิดความเสียหายได้พูดไ่้ว่าเขาเป็นนูน่นเป็นนี่เดี๋ยวเขาไม่เป็นแล้วคนอื่นไปคิดว่าเป็นแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นะอย่าพูดความไม่จริงความเท็จ น, นี้ทำให้เราเสื่อมความดีในตัวเราคุณค่าในตัวเราคือสัจจะคนจะเชื่อเราไม่เชื่อเรานี้อยู่ที่สัจจะ ถ้าเราไม่มีศักดิต่อไปเราพูดอะไรไม่มีใครเขาฟังเ่ะพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่มีใครสนใจไม่มีใครเชื่อเพราะเขากลัวจะถูกหลอกเหมือนนิทานอีศบเด็กเลี้ยงแกะสมัยนี้เขายังสอนที่โรงเรียนกันอยู่เปล่ามีอยู่เหรไหนิทานอีศอนิทานอีศบนี้เป็นสอนเรื่องศีลธรรมเป็นหลกสอนไม่ให้โกหก เด็กเลี้ยงแก่ก็ไม่ให้โกหกพวกนายพานอมออเทวดา ง, งมคอนให้งมขวานให้ในายพรานก็สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ให้โลกมีแต่เรื่องสอนคนให้มีศีลธรรมมีมีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความสุดเจริจไม่ชอบโกง เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้อย่างสบายคนเราถ้าขาดศีลธรรมขาดความซื่อสัตย์สุดจิติลไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเวลาเราจ้างใครมาทำงานนี้เราต้องดูเรื่องความซื่อสัตย์สุดจิติก่อนนะคนนี้ไว้ใจได้เปล่าเชื่อใจได้หรือเปล่าเพราะเขาจะมาทำงานใกล้ซัใกล้กับสมบัติเข้าของของเราถ้าเชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวเขาขโมยของไป ถ้ามีประวัติว่าเคยขโมยมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะจ้างนะถึงแม้เราบอกว่าเราเลิกแล้วเราไม่ไม่ขโมยแล้วแต่ประวัติมันบอกอย่งมันทําให้คนไม่กล้าไม่กล้าให้โอกาสกลัวจะเจอประวัติศาสตร์ซ้ํารอยงั้นพยายามรักษาคุณงามความดีของเราไว้อย่าไปเอาความสนุกสนานมาอมาบ่นทําลายความซื่อสัตย์ความดีงานของเรา ทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรท่านสอนว่าให้คิดก่อนก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่พอเราพูดแล้วมันจะเป็นนายเรามันจะมาเป็ น, ปนตัวทำร้ายเราพูดไม่ดีแล้วมันจะกลับมาหาเราต่อไปถ้าไม่พูดก็จะไม่มีปัญหาตามมาสสมัยนี้ยิ่งสำคัญเนี่ย มีปัญหาเรื่องของการพูดหรือผ่านทางสื่อโซเชียลนี้เอะเพื่อเลือกพิมพ์ซื่อเรือพิมพ์ข้อความนี่เนไ้มเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่มีผู้หญิงยุเพื่อนผู้ชายให้ฆ่าตัวตายผู้ชายมันแม่เศร้ามันโศกมันอยากจะคิดทัวตาฆ่าตัวตายผู้หญิงอะไรบอกเออฆ่าเลยแน่จริงฆ่าเลยบอกฆ่าทีนี้เขามีหลักฐานเ็าเอาฟ้องเนี่ย ตอนนี้ผู้หญิงที่ไปยุให้คนอื่นเขาฆ่าตัวตายนี่ถูกสารจักสั่งจำคุกเนี mm ่ hmm. ยเห็นทำอะไรให้ระมัดระวังนะทางสื่อนี่มันไปเร็วนะ่ะไปแล้วมันทีลบล้างไม่ได้เห็นไหมเมื่อไม่กี่วันก็มีเรื่องหลอกจะเอาเงินของบินไปเงินบอยจาคบอยจาคให้เขาจับได้ก่อนเนี่ยแล้ว เสียหายตัวเองก็เสียหายต่อไปก็เป็นคนที่ไม่มีไม่มีน่าเชื่อถืออย่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รักษาศีลให้รักษาธรรมศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยยอมตายดีกว่าดีกว่าเสียสัตว์อย่างลูกเสือใช่ไหมเสียชีพดีกว่าเสียสัตว์เนี่ยนี่คือเพราะว่าชีวิตเรามันไม่มีคุณค่าเท่ากับศีลธรรมความดีงามต่างๆ ชีวิตของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ตายไปมันก็หมดไปแต่จิตใจของเรานี้มันไม่ใต่ตายไปจิตใจดีมันก็จะดีไปเรื่อยๆจิตใจชั่วมันก็จะชั่วไปเรื่อยๆหมดได้ยังค่ะมีเข้ามาค่ะคาถามต่อไปจากคุณโคจาค่ะถ้าเราทาบุญแล้วอุทิศให้สัตว์เลี้ยงที่ตายไปเขาจะได้บุญไหมคะถ้าเขาอยู่ในสภาพที่รอรับบุญอยู่ก็ได้ ถ้าเขาไม่ได้อยู่เขาก็ไม่ได้เขาอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้เขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญเพราะเขาพ้นโทษและพ้นโทษจากการเป็นเดรัจฉานน่ะค่ะคาถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะถ้าสินไม่บริสุทธิ์จะเข้าฌานได้หรือเปล่าครับก็ยากอ่ ะ, ะกินเหล้าเมาแล้วลองไปนั่งสมาธิดูไปขโมยของแล้วเดี๋ยวก็คอยวิตกตำรวจจะมาจับเมื่อไหร่ แต่ไปเข้าฌานได้ไงใจไม่อยู่กับพุทธโธอยู่กับเหตุการณ์ที่เราทํามาเนี่ยสิ่งข้อสามนี้ก็ไม่สามารถเข้าฌานได้หรือว่าก็ไปนอนกับเขาจะไปเข้าฌานได้ไงเวลานอนร่วมหลับนอนกันไปนั่งเข้าสมาธิด้วยกันได้เปล่านย่างไหมเวลาคุณไปทําอะไรคุณก็ไปนั่งทําสมาธิไม่ได้ะถึงบอก ว, ว่านั่งสมาธิกายต้องสงบกายต้องอยู่เฉยๆนิ่ง ไปฆ่าคนนี้ไปนั่งสมาธิได้ไงไปกินเหล้าไปนั่งสมาธิได้ไงเราเขารว่าที่ถือศีลแปดสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมครับก็ยังหรอกศีลแปดยังบรรลุไม่ได้เราต้องฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้ถึงเยี่ยได้เป็นพระอรหันต์ได้อ่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็เท่านี้แหละเนี่ย ก็ขอให้ท่านจงนวเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด